เอสาหังผันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภะกัวันตังสระนองกัจชามิธรรมันจะภิกขุสังขันจะละภิยหังผันเตตัตสะภะกวาโตธรรมะวินาเยปปัจจัง ละพยยามอุปสมปังดุติยมปาหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิทังบากวันทังสระนงกัจฉามิธรรมมันจะฮิกุสังขันจะละพยายามพันเตตัสสะบากวัโต หามะวินาเยปปัจจังละเฮียงอุปสัมปัดังทักทียมพ่างบันเตสุจิรักริณีบุตัมปีทังพระกวนทังสารนองกัดชามีทัมมันจะหิกุสังหันจะละเฮียงบันเต ตัดสักกวาโตหามะวินาเยปปัจจังละเฮียงอุปสัมปัง